Book 2ยี่สิบสองการสนทนาสามคุณสูบบุหรี่ไหมครับ Vous, ผมเคยสูบครับ แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วอ л ล цяпер ร б о л ь บลชเนกุรรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่ вам не будзе з а มิ н а ส ь калі я з а к у р ูไม่เลยครับ не зусім ้ส ม, ม, มันไม่ได้รบกวนผมครับ คุณจะดื่มอะไรไหมครับบรันดีไหมครับไม่ครับผมชอบเบียรมากกว่าคุณเดินทางบ่อยไหมครับบ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ แต่ตอนนี้เรามาพักร้อนร้อนอะไรอย่างนี้ใช่วันนี้ร้อนจริงจริงเราไปที่ระเบียงกันเถอะ давайте выйдем на балкон พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่นนคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับรครับพวกเราได้รับเชิญด้วย